พลังชาญพลังสติจิตเวลามันจะคิดปล่อยให้มันคิดไปจะไปไหนช่างมันเราเอาสติตามรู้ตามรู้ตามรู้ไปอย่างเดียวหลักธรรมชาติของมันว่าจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้น ในเมื่อจิตว่างว่างมันก็มีพลังอยู่ทางหนึ่งเรียกว่าพลังฌานแต่ถ้าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกมันจะมีพลังทางสติพลังฌานมันไม่เป็นไปเพื่อให้หมดกิเลสแต่พลังสติมันทำให้คนเราหมดกิเลสเราคิดคิดคิดจิตที่มันคิดขึ้นมานั่นแหละจิตที่คิดเอง มันเป็นชายาแห่งจิตใต้สำนึกในเมื่อเรามีสติกำหนดรู้กำหนดรู้รู้เมื่อสติมีพลังเข้มแข็งขึ้นจิตใต้สำนึกมันก็ตื่นขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อ ย, อยเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้สมาธิในฌานสมาบัติมีแต่สงบนิ่งสงบนิ่งไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนไม่มีเรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติ ความคิดความรู้อะไรต่างๆมันไม่เกิดแต่มันมีแต่ตัวรู้ละเอียดไปเฉยๆจุดสุดท้ายของมันก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สอรูปฌานตั้งแต่อากาสารนัญจายตนวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เป็นอรูปฌาน ผู้สำเร็จฌานหนึ่งถึงฌานสตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมมีรูปผู้ที่สำเร็จฌานหาคืออากาสาร น, นจายตนะไปถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นพรหมไม่มีรูปเขาเรียกว่าพรหมลูกฟักไปนิ่งอยู่ในฌานเฉยๆพระพรหมที่เป็นรูปประพรหมยังมีโอกาสไปฟังเทศพระพุทธเจ้าได้ หรือบางทีอาจแสดงปฏิหารไปช่วยเพื่อนฝูงที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าได้แต่สมาธิที่เป็นฌานในอริยามรรคอริยผลที่แรกเราอาศัยบริกรรมภาวนาพอบริกรรมภาวนาจิตหยุดบริกรรมภาวนาจิตไปนิ่งว่างอยู่เฉยเฉยพอนิ่งว่างสักพักหนึ่งมันก็มีความรู้ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นอย่างกับน้าพุอันนี้เรียกว่าสมาธิมีวิตกวิจาร แล้วก็มีปีติมีสุขพอเกิดปีติเกิดสุขความคิดยิ่งผุดขึ้นมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันจะไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตหยุดกึกลงไปนิ่งสว่างสภาวะทั้งหลายมันจะปรากฏการเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้จิตรู้ตลอดเวลาซึ่งหลวงปู่มั่นท่านว่าถีติภูตัง